จิตของเรานั้นโดยปกติเป็นสิ่งที่สะอาดอยู่ไม่ได้เศ้าหมองอยู่ตลอดเวลาหรือเรียกว่าไม่ได้เป็นบาปอยู่ตลอดเวลาคนเราไม่มีบาปมาตั้งแต่เดิมไม่ได้เศ้าหมองมาตั้งแต่เดิมแต่บาปหรือสิ่งเข้าหมองนั้นมันเกิดขึ้นในใจเราเป็นครั้งคร า, า ว, าวเมื่อใดเราหลงผิดไปเมื่อใดเราขาดสติปัญญา เราก็ไปรับอารมณ์ภายนอกที่มากระทบแล้วก็เกิดความพอใจยินดีในเรื่องนั้นบ้างไม่พอใจไม่ยินดีในเรื่องนั้นบ้างนี่มันเป็นเรื่องที่เรียกว่าจิตใจเปลี่ยนสภาพไปแล้วจากหน้าตาที่เคยเป็นเคยอยู่เปลี่ยนเป็นหน้าอื่นัดแล้วก็เกิดความเศร้าหมองเร่าร้อนวุ่นวายขึ้นในจิตใจของเรา เป็นเหตุที่เกิดความทุกข์ความแบบร่อน